บางคนก็ ว, ว่ามันเป็นอนัตตาก็ปล่อยมันไปตามยถ า, ากรรมได้ไหมปล่อยไปตามยถ า, ากรรมไม่ได้จินมีธรรมชาติเหมือนน้ำไหลลงต่ำตลอดเวลานะจงใจปฏิบัติก็ไม่ได้อีกนะไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อีกตกลงแล้วจะนํายังไงดีเราก็ฝึกมันวิธนะีฝึกมันนะก็ฝึกเป็นลำดับลาดับไปมันตรนีทีเหนียวมากก็รู้จักทำทานอย่างเงี้ยนะ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 มาถึงขั้นการภาวนาจิตใจนะปกติร่อนเร่จรจัดนะจิตจรจัดจริงๆไม่อยากบอกเหมือนสุนัขจรจัดก็าหยาบคลายไปนะจะเหมือนนะร่อนเร่ไปเลยเลยหาอยู่หากินไปคุยค้ยเขี่ยขยะที่นั่นที่นี่ไปจิตเรานะมันหิวโหวยอยู่ตลอดเวลานะเที่ยวคุยเขี่ยหาอาหารกินไปเรื่อยคือหาอารมณ์นั่นเองนะ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 โดยไม่ตรงตรงความเป็นจริงนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวเรามีตัวเขานะมีสัตว์มีคนมีเรามีเขานะี่มันเคยชินที่จะเห็นแบบนี้เราค่อยๆฝึกนะฝึกจิตฝึกใจพัฒนามันขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้มันเกิดความเคยชินฝ่ายที่ดีอันใหม่ๆ ใ, ในการเจริญสติจเจริญปัญญาก็คือฝึกให้มีสติบ่อยๆจิตนั้นขาดสติโดยธรรมชาติพวกเรามาเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเรารู้สึกหม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 ถึงวันหนึ่งนะีอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่ส่วนใหญ่จะตอนอาบน้ำพวกเราสังเกตไหมอาบน้ําถูสบู่ถูที่ใครถูอะไรแน่ตกลงถูตัวถูถูไปนะัมันสติปัญญามันเกิดขึ้นมามันเห็นเลยตัวที่กําลังรูปอยู่เนี่ยเป็นวัตถุเท่านั้นเองเป็นก้อนทากเท่านี้เ น, นี่ยมันเกิดปัญญาแล้วนะมันมีสติที่แท้จริงแล้วมันะระลึกลงไปโดยที่ใจเนี่ยไม่เข้าไปแทรกแสง สักว่ารู้สักว่าเห็ น, นจริงไม่ใช่พอเราลึกรู้อันนี้ก็ใจก็ภาคต่อเลยไหมอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี้นะงั้นพอสติมาะระลึกนะั้นอย่างอาบน้ำอยู่ถูสบู่อยู่ปั๊บมาระลึกขึ้นได้ น, นี่เป็นแค่รูปเท่านั้นไม่ใช่เราบางคนพอเห็นว่าไม่ใช่เรานะใจสะเทือนขึ้นมาเลยตกอกตกใจขึ้นมาเลยว่าตัวเราหายไปบางคนก็เบื่อขึ้นมาเลยบางคนก็รู้แจ้งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มี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 นี่เราหัดมีสติขึ้นมาตอนที่มีสติขึ้นมาตัวเราจะหายไปกายไม่มีเราใจไม่มีเราเป็นคลาวคาวนะเป็นขณะขณะขณะไปแต่ไปจิตเคยชินที่จะรู้สึกอย่างเนีนะ้รู้สึกตัวได้บ่อยรู้สึกตัวได้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะปัญญามันพอนะมันจะเห็นเลยว่าทั้งจิตก็ไม่ใช่เรานะจิตเป็นแค่นามารมอันหนึ่งเป็นแค่สภาวะรมอันหนึ่งไม่มีตัวเราในตัวจิตนี้หรอกพอตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเราคราวนี้จะไม่เหลืออะไรเป็นเราอีกแล้ว อย่างพวกเราตอนนี้ที่หัดภาวนาเนี่ยเบื้องต้นเราเริ่มเห็นแล้วนี่ไกยนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นแค่กายของเรานะแต่จิตเป็นตัวเราฝึกมากๆเข้าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นจิตของเราได้ไหมจิตของเราก็าไม่ได้มันไม่มีเรานะค่อยฝึกไปเรื่อยนะค่อยๆพัฒนาไปฝึกจนสติมันอัตโนมัติด้วยการที่หัดรู้สภาวะบ่อยๆ อ, อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกบ่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิด นะรู้ทันใจที่ไหลไปใจที่หลงไปเรื่อยๆต่อไปสมาธิอัตโนมัติมันจะเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดเป็นขณะๆนะเรียกว่าคณิกะสมาธนะินี่บางคนนะเรียนมากๆหน่อยชักสงสัยว่าทาไมหลวงพ่อสอนไม่เหมือนในตํำรับตารามีตําราอ้างอิงไหมตํารานะี่ยหายากนะในสมัยพุทธกาลพวกเราเคยอ่านหลวงพ่อเคยเขียนไว้เรื่องพระโปธิระรู้สึกไหมพระโปธีระแตกฉานพระไตรปิฎกนะ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 พระโพธิละใจเด็ดนั้นไปถามเนนว่าจะปฏิบัติยังไงเนนสอนง่ายๆเลยนะเนนชี้ให้ท่านดูจำปลวกอันหนึง่งบอกมีจำปลวกเก่าอยู่อันนึงปลวกคงไม่อยู่แล้วละ่ะจำปลวกอันนี้เป็นโพรงอยู่ข้างในมีเชี่ยตัวหนึ่งเชี่ยภาษาไทยนะไม่ใช่คําหยาบนะเชี่ยเฉยๆเป็นชื่อขอสัตว์ชนิดหนึ่งนะไม่ใช่คำหยาบมีเชี่ยอาศัยอยู่ในจำปลวกเนี่ยแล้วมันเจาะรูเข้าออกได้หกลู เน้นชี้ให้พระโพธิลาดูบอกว่าถ้าท่านอาจารย์จะจับเขี้ยตัวนี้นะท่านอาจารย์อุดสห้ารูปิดห้ารูเปิดไว้รูเดียวเดี๋ยวมันต้องออกมาทางรูนี้แหละพระโพธิลาก็เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยเห็นมตำหรับตำรามีเยอะนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มที่จิตนี้เองนะรูห้ารูนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะรูที่เปิดเอาไวนะ้นคือรูใจนะ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 อยู่ๆมีคนมาสกิดเราเนี่ยสกิดเราข้างหลังเรานึกว่าสาวสกิดใช่ไมเราก็ดีใจดีใจให้รู้ว่าดีใจนะอันไปดูอาคนขอทานเป็นโลกเรื้อนมาสกิดะจะขอสตังสยดสยองใช่ไหมขยะกขยแยงรู้ทันที่ใจใช่อะไรเกิดขึ้นนะมารู้ทันใจไหเนี่ยทวารใจนี่แหละตัวสำคัญเริ่มกรรมฐานเริ่มที่ทวารใจนี่เอง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 นะอย่างบางคนพอตามองเห็นนะจะกำหนดอยู่ที่ตาเลยบางคนตรงที่ตาเนี่ยกำหนดได้หลายแบบบางคนกำหนดรูปที่มองเห็นนะกาหนดรูปพอตามองเห็นสมมติหลวงพ่อมองเห็นนาฬิกานะกำหนดรูปดูลงไป <mia? S 1> นี่คือสีที่เป็นรูปทรงอย่างนี้นกำหนดลงไปว่าไม่ใช่นาฬิกานี่เป็นสีอันี้คิดเอานะคิดเอาเป็นสมถะนะบางคนกำหนดอยู่ที่การกระทบนะ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 ความยินดีนยินร้ายที่เกิดขึ้นในจิตก็อยู่ชั่วคราวนะกุศลากุศลทั้งหลายก็อยู่ชั่วคราวเราหัดรู้ไปเรือ่อยจนเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวนะพวกเราเวลาหัดทํากรรมฐานนะไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบนั้นได้สมถะแต่เราฝึกให้เห็นความจริงเลยทุกอย่างเป็นของชั่วคราวฝึกให้เห็นตรงนี้นะทำไมต้องเห็นตรงนี้เพราะพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้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 ถ้าเราเป็นพวกโลภมากรักสุกรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเพลิดเพลินพอใจในความสวยความงามของตัวเองของคนอื่นอะไรยเงี้ยพวกนี้ต้องคอยดูไกานะแล้วก่อนจะดูไกาต้องทําความสงบถ้าจะดูจิตดูเข้าไปเลยนะนักวัสการของพ่อครับคือผมเริ่มฟังสิดีแล้วก็เริ่มดูจิตตัวเองนี่ไม่ทราบว่าดูถูกเรื่องหรือเปลดูได้ดีแล้วแต่ตอนนี้ไปกดเอาไว้ดู อ, อับไหม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 แม่โกรธแล้วรู้ไหยหลายรุ่หลายบ้านนะเด็กมันเตือนของคุณอย่าประคองให้นิ่งนะรู้ไปสบายสบายรู้อย่างผ่อนคลายดูอย่างผ่อนคลายหน่อยนะใจมันเครียดไปรู้สึกไหมใจมันเครียดนะเป็นคนเครียดไปนิดหนึงดูให้มันผ่อนคลายหนะ่อยรู้สบายสบายนะขอบพระคุณเจ้าค่ะนาัส ก, การหลวงพ่อค่ะเอ่อใหญ่หนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมา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 น, นั่นแหละพอนาดีแล้วนะฝึกเข้าฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ั้มคะมีมีอะไรจะชี้แนะอีกหรือเปล่าคะก็ถ้าอยากให้มันพัฒนามากๆนะก็ทำในรูปแบบ่าช่วยได้เช่นแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรทำทุกวันนะวันหนึ่งตั้งใจไว้อย่างน้อย1ินาทีตั้งใจอย่าตั้งใจว่าเวลาสามชั่วโมงนะถ้าตั้งใจเ ว, าวลาสามชั่วโมงแล้วัวนดีดีฝอ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 ถ้ารู้ลมเนี่ยจิตมันดิ่งลึกเข้าไปหาลมมากเกินไปมารู้ร่างกายที่กระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนร่างกายพยักหน้าอะไรรู้สึกนหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือเวลาดูจิตนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถตั้งมือถือให้มันเตือนเราทุกห้านาทีสินาทีได้ไหมครับว่า ว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทาอะไรอยู่สติก็ได้เหมือนกันนะแต่ก่อนนี้มีเขาทำนาฬิกาขายปลุงทุกสองนาทีตอนนี้ก็ทิ้งไปหมดแล้วล่ะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปบังคับให้มันเกิดเอออย่างนั้นก็ได้นะเบื้องต้นทำอย่างนั้นก็ได้แต่เบื้องปลายทาอย่างนั้นแล้วจะลาคัน คือคือก็คิดว่าแรกๆเราอาจจะปลุกให้มันตื่นก่อนพอหลังครบเดี๋ยวเราก็คงรู้ตัวก่อนออที่มันจะปลุกเราเความ <cade tin. S 2> จริงเรามีนาฬิกาธรรมชาติอยู่ในตัวเรานะีอย่างเนี้ยเราเคลื่อนไหวยังเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดยนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึรู้สึกรู้สึกแต่ไม่เพ Knight, ่งนะเพ่งอย่างนี้ไม่ได้ เ, เป็นหุ่นยนต์ตัวแข็งแข็งพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราใช้อารมณ์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 พิธี ก, การค่ะเอก็ฟังซีดีของท่านมาหลายครั้งนะคะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามรู้สึกว่าดีค่ะแต่ในคราวรู้สึกว่าจิตตัวเอนเนี่ยฟุ้งซ่านมากอฟุ้งซ่านแล้วก็เศร้าบ่อยะะให้เรารู้ตามที่เป็นนะ <Okay. S 2> เขาฟุ้งซ่านรู้ว่าเขาฟุ้งซ่านเขาเศร้ารูว้ว่าเขาเศร้า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 แต่ถ้าต้องการแค่อยู่กับโลกธรรมดาก็ตามรู้ตามดูไปใจจะไม่ค่อยมีแรงมากครับนะเบื้องต้นตามรู้ตามดูก็พอได้ น, ะนา น, นานไปนบางทีเฉยการทำในรูปแบบมันจะทำให้ไม่เฉยก็ก็เดินจงกรมอย่างนะี้ไปได้ทุกวันดีนะดีขอบพระคุณครับใช้ได้นะคุณคโมทนากลาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ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 มันไม่ได้เห็นอันเดียวหรอกข อ, ข, อขอบคากันบ้างชดละไปทำครับนะต้องทำเอาเองนะกราบมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีเคยฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็รูปปฏิบัติแบบว่าดูกายกับดูจิตสลับกันเจ้าค่ะจงใจสลับไหมหรือมันสลับเอง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 รู้สึกตัวขึ้นให้ชัดๆนะมันก็จะหลุดออกมาคือไม่ควรปล่อยให้มันดิ้งไปไม่ควรอย่างนั้นไม่ดีเลยจิตอ่อนแอทีนี้ด้วยความติดสมถะมากก็เลยอยากจะขอวิธีเกระดุกกระดิดไหมไปหางานบ้านทำมีลูกมีหลานอะไรไหมมีลูกค่ะไปเลี้ยงเด็กแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวก็โมโหใช่ค่ะคนไหนติดสมถะนะทีขี้โมโหมากกว่าคนทั่วไปนะ ให้ให้ใจมันกระเพื่อมกระเพื่อมเลยอย่งหลวงพ่อบอกว่าให้เดินจงกรมให้มีรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เรานั่งนานๆเราก็ยางสิสําหรับคนที่ติดเพ่งเนี่ยน ะ, ะอย่าเพิ่งทําในรูปแบบนะให้คลายก่อนแล้วค่อยมาทำํำของคุณตอนเนี้ยจุดสําคัญเลยก็คืออารมณ์เนี่ยมันยอมจิตง่ายจิตเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่อนไหวนะอารมณ์ย้อมจิตง่ายจะใช้คําว่าเซนซิทีฟเมื่อกี้เนี่ยต้องนึกคาแปลก่อน จิตมันออนไหวแล้วก็รู้ทันเอานะคือรู้ไปเรื่อยๆรู้ได้ได้ต่อไปก็แข็งแรงขึ้นอย่าให้มันครอบงําจิตได้ขอบคุณค่ะออหนูฟังซีดีได้ระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ฝึกตามที่หลวงพ่อสอนในซีดีก็คือตอนแรกที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขี้ระแวงใจตัวเองอ่ะนะคะขี้ระแวงแล้วก็พอหลังๆนี่ก็คือรู้สึกว่า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 วู้คุณนี่หล่อย่างเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่เบื่อนานหรอกครับแล้วที่เห็นที่เคยรู้สึกว่ากายไม่ใช่เรานี่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาะแต่ใจใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยะเวลาสติระลึกเห็นร่างกายมันจะเห็นเลยไม่ใช่เรานี่ยแล้วใจใจนี่มันเหมือนกระคิดอะครับอะไรนะใจเนี่ยเหมือนคิดอยู่อะครับใจใจไม่ใช่เราเนี่ยครับทำไมคิดอยู่อะครับ เหมือนว่าเราคิดเองยังคิดอยู่ยังมีคิดเจืออยู่ไปฝึกนะฝึ ก, กรู้สึกตัวบ่อยๆใจหลุดออกจากความคิดใจหลุดออกจากโลกของความคิดนั้นถ้ามันย้อนมาเห็นจิตนะสติะระลึกถึงจิตเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีเราแต่มันต้องย้อนเองอะ่ะเราเวลารู้สึกตัวนี่หลวงพ่อบอกว่าจะเป็นคณิกะสมาธิใช่ไหมครับ ไอ้ตัวนี้<ช>สามารถเอามาแทนสมถะได้ไหมครับใช้อะไรนะใช้แทนสมถะได้ไหมครับความสงบของกา น, นิกาใช้ไม่ค่อยได้นะแรงน้อยไปรเราก็ต้องอาศัยการทำสมถะทำสมถะไม่เป็นนะไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้สมถะเหมือนกันครับหรือพุโทโธไปเรื่อยๆก็เป็นสมถะครับผู้สผลบุญที่เกิดการภาวนาก็ถว า, ายเป็นอาญาญาบูชาได้สาธุชอบมากเลยบูชาด้วยการปฏิบัติอะ ค่ะนมัสการค่ ะ, อ, ะอยากจะกราบเรียนถามอสองข้อค่ะข้อแรกนะคะกำลังหัดเดินจงกรมนะคะแต่พอเริ่มเดินนะะก็เริ่มอย่างเช่นเริ่มคิดถึงลูกเริ่มคิดถึงอะไรแบบนั้นนะคะก็ไ<ห>ม่ทราบว่าให้รู้ไปนะเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินเพื่อให้สงบอย่างเดียวหรอกอเราเดินรู้ทันตัวเองไปเพราะฉั้นเดินไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่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 หลงไปเดี๋ยวหนึ่งก็รู้หลงไปแล้วก็รู้ไม่ทราบที่ทํามาเนี่ยถูกทางหรือเปล่าคะถูกสิถูกนะต้องไปทําอีกราบขอบพระคุณค่ะแล้วเหรอการภาวนานะต้องอดทนนะอันแรกเลยเรียนหลักให้ได้ปลุกใจตัวเองให้ตื่นใจของคนในโลกมันหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา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 อดทนตะ่อความอยากดีอยากบรรล u, r e, r ุเร็วๆใครรู้ทันเข้าพอแล้วเนาะนีก็ถึงสุดท้ายนะครับในวันน yes ี้ก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านที่ศาลาลุงชินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องประจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมชโช